จจเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่กทานวันนี้เป็นวันที่หนึ่งม ก, กราคมพุทธศักราชสองห้า้สี่สิบเจ็เป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเราเมื่อถึงวันขึ้นปีใหม่ในแต่ละปีเราจะมาเข้าวัด เพื่อมาขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อชีวิตของเราจะได้ํำเนินไปได้ด้วยความราบรื่นดีงามมีแต่แต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและในชีวิตครอบครัว การเข้าหาพระเพื่อขอพรเป็นวิถีทางที่ถูกต้องของพุทธศาสนิกชนที่พึงกะระทากันเพราะเมื่อได้เข้าหาพระแล้วจะได้ยินได้ฟังธรรมะคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่จะชี้ทางให้ไปสู่ความสุขและความเจริญได้อย่างแท้จริง แต่ความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลที่พวกเราทุกคนปรารถนากันนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดจากการขวนขวายจากการแสวงหาจากการฝ่ายปฏิบัติในวิถีทางของความดีของบุญและกุศลผลที่จะตามมาจึงจะปรากฏขึ้นคือ ความเจริญรุ่งเรืองความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเพราะสิ่งเหล่านี้ที่เราปรารถนากันไม่สามารถเป็นสิ่งที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสามารถหยิบยกให้แก่กันและกันได้ไม่เหมือนกับขนมของหวานหรือกับข้าวกับปลาเราพอที่จะหยิบยื่นให้กันได้แต่เรื่องของความสุขความเจริญนั้น เป็นผลของการปฏิบัติในความดีงามทั้งหลายในบุญในกุศลจึงจะปรากฏเป็นผลขึ้นมาได้จึงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถที่จะมอบให้กับการได้สิ่งที่เรามอบให้กับการเช่นวันปีใหม่เราอวยพรให้แก่กันและกันขอให้มีแต่ความสุข มีแต่ความเจริญนี่เป็นเพียงความปรารถนาดีเท่านั้นเองคือเราทุกคนรู้ว่าทุกๆคนต้องการความสุขและความเจริญดังนั้นในวันปีใหม่เราก็อวยพรให้ต่อกันละกันแต่การอวยพรนี้ก็จะไม่มีความหมายเลยจะเป็นลมปากไฟเปล่าๆถ้าผู้รับพรนั้น ไม่น้อมเอาไปปฏิบัติคือดี อ, อกดีใจเวลาใครเขาให้พรเราแต่เราไม่เคยเหลียวดูพฤติกรรมของเราเลยว่าวั น, ว, นวันหนึ่งเราทำอะไรบ้างเรากำลังสร้างบุญสร้างกุศลหรือเรากำลังสร้างบาปสร้างกรรมแล้วซึ่งเป็นตัวการสำคัญอย่างยิ่งที่จะ ทำให้เกิดผลดีและชั่วตามมาเราถ้าไม่สังเกต ด, ดูเราจะไม่รู้เพราะในแต่ละวันนี้เราทาหลายสิ่งหลายอย่างรวมกันและบางทีเราก็หลงผิดไปคิดว่าสิ่งที่เราคิดว่าดีนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วหาเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญไม่แต่ เพราะว่าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือได้ยินได้ฟังก็นานๆสักครั้งหนึ่งก็จะจดจำไม่ได้และเมื่อในถึงเวลาที่จะต้องทำอะไรในบางสิ่งบางอย่างไปก็จะทำไปโดยขาดสติขาดปัญญาผลที่เราปรารถนากันจึงไม่ปรากฏขึ้นเพราะ การจะทำความดีนั้นเราจะต้องมีสติอยู่กับตัวเราอยู่เสมอเราต้องมีปัญญาคือต้องรู้จักแยกแยะว่าการกระทำอย่างไรเป็นการกระทำที่ดีที่งามที่นำมาซึ่งความสุขและความเจริญความการกระทำอย่างไรที่เป็นการกระทำที่ไม่ดีนำมาซึ่งความทุกข์และความเสื่อมเสีย นี่คือปัญญาความรู้ที่เราควรที่จะรู้ควรที่จะศึกษาเมื่อเราเข้าวัดในวันปีใหม่เราก็จะไม่ได้เราก็จะมาได้ยินเรื่องราวอย่างนี้เพราะพระท่านมีหน้าที่ชี้บอกทางให้เราไปเดินไปแต่พระท่านเดินไปให้เราไม่ได้เพราะตัวพระเองท่านก็ต้องเดินไปของท่านเอง ทุกๆคนต้องเป็นผู้ปฏิบัติตนในวิถีทางแห่งความดีงามทั้งหลายจึงจะสามารถพาตนเองไปสู่พรอนันประเสริฐที่พวกเราทุกคนปรารถนาไม่ว่าจะเป็นการเจริญด้วยอายุวันนะสุขภะพละก็ดีหรือการเจริญด้วยลาบยศสรรเสริญสุขก็ดี เหล่านี้ล้วนเป็นผลที่เกิดจากการกระทาของเราทั้งสิ้นการกระทาก็มีย่อยสามทางด้วยกันคือทางกายทางวาจาและทางใจในการกระทาทั้งสามทางนี้การกระทำทางใจเป็นการกระทาที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นผู้ริเริ่มการกระทาทางวาจาก็ดีท า, ทางกายก็ดี จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีการกระทาทางใจเกิดขึ้นก่อนการกระทาทางใจก็คือความคิดนี้เองก่อนที่เราจะทำอะไรได้ใจของเราต้องคิดสั่ ง, งการมาที่กายที่วาจาเสียก่อนถึงจะทำอะไรได้อย่างวันนี้เราจะมาที่วัดมาทำบุญกันได้ ในเรื่องต้นใจของเราก็ต้องคิดเสียก่อนแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่เราจะมาทําบุญกันนี่เป็นความคิดที่เกิดขึ้นในใจของเราเมื่อมีความคิดนี้แล้วความคิดนี้ก็จะสั่งการให้ไปกระทาการต่างๆเช่นไปเตรียมข้าวของไปเตรียมตัวเตรียมจิตเตรียมใจไว้ พอถึงเวลาก็เดินทางมาที่วัดนำสิ่งของต่างๆที่ได้ตั้งใจไว้มาถว า, ายพระดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามองดูที่การกระทําทางใจเป็นสำคัญให้เราดูใจของเราเหมือนกับเหมือนกับตำรวจดูแลนับโทษที่อยู่ภายใต้การการดูแลของตำรวจ คืออย่าให้ห่างไปจากสายตาเป็นอันขาดเพราะถ้าห่างไปแล้ว mm. เผลอไปแป๊บเดียว mm. นักโทษก็อาจจะเล่นลอดออกจากห้องขังไปได้จใจของเราก็เป็นฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติซึ่งเปรียบเหมือนกับยาม mm. เป็นตำรวจ mm. ที่คอยเฝ้าดูแลใจเราอยู่และธรรมะคือปัญญา ความฉลาดความรู้ผิดถูกดีชั่วเป็นตัวคอยเฝ้าดูแลใจของเราแล้วใจของเราก็จะไปแบบแบบนักโทษที่ไม่มีตารวจเฝ้านั่นเองนักโทษเราก็รู้อยู่ว่าถ้าเขาเล่นรอดออกจากคุกออกจากตารางไปได้เขาก็ต้องไปกระทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่อไปเขาเคยป้นเคยจี้เคยรักเคยขโมย เขาก็จะต้องไปพ้นไปจี้ไปลักขโมยไปตามนิสัยของเขาเขาจึงต้องถูกตำรวจจับขังไว้ในคุกในตารางเพื่อไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นใจก็เปรียบเหมือนกับเป็นนักโทษถ้าไม่มีผู้ดูแลควบคุมแล้วใจก็จะไปตามนิสัยเดิมของใจซึ่งส่วนใหญ่ใน บุตุชนอย่างเราอย่างท่านนั้นก็มักจะทะเลทลไยชอบไปในทางที่ไม่ดีไม่งามแต่ไม่รู้ว่าไม่ดีไม่งามเพราะความหลงผิดนั่นเองเพราะไม่มีใครอบรมสั่งสอนขาดปัญญาความรู้ที่ถูกต้องนั่นเองเราจึงมักไปทําในสิ่งที่เราต้องมาเสียใจภายหลังเพราะอํานาจของความหลงทําให้เราเกิดความอยาก เมื่อเราเกิดความอยากเราก็หามาโดยที่เราไม่รู้หรอกว่าการหาของเรามานั้นจะมีโทษอย่างไรกับตัวเราจะรู้ก็เมื่อสายไปแล้วเช่นในบางครั้งเราต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เราไม่มีปัญญาที่จะไปซื้อมาได้ด้วยกําลังทรัพย์ของเราเราก็ต้องหาด้วยวิธีที่ไม่ชอบอาจจะไปรักไปขโมย หรือไปชอบโกงเขามาเพราะอำนาจของความต้องการมีอยู่มากภายในใจจึงทำให้เราไม่สามารถหยุดยั้งความต้องการนี้ได้และเราขาดผูด้ควบคุมดูแลคือสติปัญญาเราจึงปล่อยให้ความคิดของเรานั้นชักจูงเราไปกระทำในทางที่ไม่ดีไม่ชอบนั่นเอง แล้วเมื่อทําไปแล้วผลเสียก็จะตามมาในเบื้องต้นเราก็จะมีความรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจสมมติว่าเราไปลักขมโมยอะไรมาสักชิ้นสักอย่างหนึ่งถึงแม้ในเบื้องต้นเราจะมีความรู้สึกดีใจที่เราได้สิ่งที่เราต้องการมาแต่ในขณะเดียวกันภายในใจของเราก็จะต้องมีความวุ่นวายมีความไม่สงบมีความหวาดวิตก ว่าจะต้องถูกจับได้สักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วความสุขที่ได้จากได้ของมากับความทุกข์ความวุ่นวายใจนั้นมันไม่คุ้มค่ากันเลยเพราะความสุขนั้นก็ชั่วขณะที่ได้มาเท่านั้นเองประเดียวปะดาวแต่หลังจากนั้นแล้วก็เกิดความวุ่นวายใจคนที่มีสติมีปัญญาที่อาจจะเผลอไปพอได้สติ ก็อาจจะมีความสำนึกผิดอ า, อาจจะเอาของที่ได้มาโดยไม่ชอบนี้กลับคืนไปให้กับเจ้าของเขาเพราะจะรู้สึกสบายใจขึ้นแต่ถ้าคนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาจะไม่รู้จากวิธีแก้ไขปัญหานี้ก็จะอยู่แบบหลบๆซ่อนๆ อ, อยู่แบบหวาดกลัวอยู่ไปความสุขความเจริญที่ตนเองปรารถนาะ จากสิ่งที่ได้มานั้นก็ไม่ปรากฏขึ้นกับมีแต่ความวุ่นวายใจมีแต่ความทุกข์และถ้าถูกเขาจับก็ได้ก็ต้องไปใช้หนี้ในคุกในตารางต่อไปนี่ก็เป็นเพราะว่าใจของเราผู้เป็นต้นเหตุของการกระทาไม่ว่าจะเป็นการพูดก็ดีการกระทาอะไรก็ดีนั้นขาดผู้ดูแลควบคุมนั่นเองขาด ผู้ที่คอยสั่งสอนคอยบอกว่าถูกหรือไม่อย่างไรเราจึงต้องมีการอบรมใจเป็นเป็นหลักเป็นเป็นหน้าที่สําคัญอย่างยิ่งของชีวิตเราถ้าเราต้องการให้ชีวิตของเรานั้นดําเนินไปตามความปรารถนาของเราคือมีแต่ความสุขความเจริญ ไม่มีความทุกข์ความเสื่อมเสียตามมาเราต้องดูแลรักษาใจของเราอยู่ตลอดเวลาทุกขณะที่เรากําลังคิดอะไรอยู่เราต้องรู้แล้วว่าความคิดของเรานั้นคิดไปในทางที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรถ้าเราไม่รู้ก็แสดงว่าเราขาดผู้ดูแลคือสตินั่นเอง ดังนั้นเราต้องฝึกฝนให้มีสติอยู่เสมอการฝึกสติในทางพุทธศาสนานั้นคือการดึงจิตให้อยู่กับปัจจุบันคืออย่าส่งจิตของเราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาแล้วในอดีตมันไม่มีความจำเป็นกับชีวิตเราแล้วมันผ่านไปแล้วเรื่องราวที่จะปรากฏขึ้นมาในอนาคตก็ไม่จำเป็นเหมือนกัน สิ่งที่าเป็นที่สุดที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นในขณะ น, นี้ในปัจจุบันนี้ถ้าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันเราจะรู้ถึงความคิดของเราอยู่ทุกขณะว่ากำลังคิดอะไรอยู่เช่นตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่อย่างนี้เรามีสติอยู่กับตัวของเราอยู่กับใจของเราหรือเปล่าถ้ามีอยู่เราต้องรู้ว่าขณะ น, นี้เรากาลังฟังธรรมะอยู่ เราต้องรับรู้เสียงของธรรมะที่เข้ามาสู่ใจของเราแต่ถ้าเราไม่มีสติใจของเราไม่อยู่ปัจจุบันใจของเราก็จะคิดไปถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ก็ดีหรือเรื่องราวที่เราจะไปทําต่อไปในภายภาคหน้าก็ดีถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วในขณะปัจจุบันนี้จะไม่รู้เรื่องราวต่างๆที่กำลังพูดอยู่ พะจิตไม่ได้รับถ้าเปรียบเหมือนกับการเทน้ำใส่แก้วใส่ขันก็เหมือนกับคว่ำขันหรือคว่มแก้วไว้เราเทน้ำใส่เข้าไปในขันในแก้วมากน้อยเพียงไรก็จะไม่มีน้ำหลงเหลือติดอยู่ในขันแมแต่หยดเดียวเพราะเราควา่าขันหรือแก้วนั่นเองด้านก็ไม่สามารถหลงเหลือติดอยู่ในแก้วในขันได้ แต่ถ้าเราตั้งใจฟังคือมีสติอยู่กับการฟังแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ยินก็จะอยู่เข้าไปอยู่ในใจของเราแล้วถ้าเกิดเราฟังแล้วเกิดความเข้าใจมันก็จะเป็นความรู้ขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นเหมือนมีตำรวจมียามคอยดูแลรักษาใจของเราในคราวต่อไปเวลาใจของเรา คิดจะไปทำอะไรในทางที่ไม่ดีไม่ชอบเราก็จะมีผู้คอยหักห้ามจิตใจคือสติและปัญญานี้ถ้าเรามีสติปัญญาคอยควบคุมดูแลจิตจิตใจของเราอยู่อย่างสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลาเวลาใจคิดอะไรเราจะรู้เวลาคิดไปในทางที่ถูกหลือผิดเราก็จะรู้เมื่อรู้แล้วเราก็สามารถควบคุม ใจของเราให้สั่งการไปในทางที่ถูกที่ควรได้ถ้าคิดไปในทางที่ไม่ดีไม่ชอบก็ให้หักห้ามความคิดนั้นเสียได้เมื่อความคิดไม่ดีถูกหักห้ามไปการกระทำที่ไม่ดีก็จะไม่มีตามมาเมื่อไม่มีการกระทำที่ไม่ดีผลเสียก็จะไม่มีตามมาความเสื่อมความทุกข์ก็จะไม่ปรากฏขึ้นเวลา ใจคิดถึงเรื่องการกระทำความดีก็ส่งเสริมให้ทำอย่างเมื่อคืนนี้เราตั้งใจไว้ว่าวันนี้ตื่นแต่เช้าเราจะมาวัดมาทำบุญกันนี่เป็นความคิดที่ดีเราก็ต้องผลักดันให้ความคิดนี้ให้กลายเป็นรูปธรรมขึ้นมาให้ได้ให้เกิดการกระทำขึ้นมาให้ได้ไม่ใช่ว่าคิดดีอยู่แต่พอถึงเวลาจะทำกับไม่ได้ทำ เช่นเมื่อคนนี้ตั้งใจว่าตอนเช้าจะขึ้นมาตื่นขึ้นมามาวัดแต่พอดีมีเพื่อนมาชวนไปเที่ยวไปฉลองกันก็เลยดื่มสุรายาเมามากไปหน่อยพอตอนเช้าถึงเวลาตื่นจะไปวัดก็ตื่นไม่ไหวปวดศรีรษะนอนไม่พอก็เลยล้มเลิกความตั้งใจอันดีงามนั้นที่จะมาทำบุญทาความดีอย่างนี้ก็แสดงว่า ใจยังขาดคุณธรรมอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าความจริงใจเวลาคนเราอยากจะทำอะไรให้บรรลุผลสำเร็จได้นั้นเมื่อคิดแล้วจะต้องมีความจริงใจต่อความคิดนั้นไม่ใช่คิดไปสักแต่ว่าคิดแต่พอถึงเวลาทำก็ไม่สามารถทำตามที่ตนเองคิดได้ ถ้าอย่างนั้นถึงแม้จะมีความคิดที่ดีที่งามที่วิเศษขนาดไหนความคิดนั้นก็ยังไม่สำลิศผลขึ้นมายังไม่เกิดประโยชน์ขึ้นมาแต่ถ้ามีความจริงใจคือสัจจะทุกครั้งที่เราคิดที่จะทำอะไรที่ดีที่งามแล้วเรามีความแน่วแน่ต่อความคิดนั้นๆไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็ตาม เราจะไม่ให้เหตุการณ์ต่างๆมาเป็นอุปสรรคขวางกัน้นเช่นเมื่อคืนนี้เราคิดว่าเราจะมาทำบุญที่วัดตอนเช้าแล้วมีเพื่อนมาชวนให้เราออกไปเที่ยวเราก็ปฏิเสธเขาไปก็ได้เพราะเราตั้งใจว่าเราจะตื่นแต่เช้ามาวัดถ้าเราไปเที่ยวกับเขาเดี๋ยวเราก็ต้องไปดื่มสุรายามเมาไปนอนดึกพอถึงเวลา กลับมานอนที่บ้านก็จะนอนไม่พอพอตอนเช้าก็ตื่นไม่ไม่ไหวก็จะมาไม่ได้นี่คือเรื่องราวของใจของเราที่เป็นตัวการสำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญพยายามฝึกนิสัยดูใจของเราอยู่เสมอพยายามควบคุมใจของเราให้อยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอดีตรหรือเรื่องอนาคตแต่ถ้าจะคิดก็ขอให้มีสติตามไปด้วยให้รู้ว่าเรากําลังคิดถึงเรื่องอดีตด้วยเหตุผลอันใดเช่นบางทีเราอาจจะลําลึกถึงอดีตที่ผ่านมาเพื่อศึกษาดูเป็นบทเรียนเช่นปีที่ผ่านมานี้ชีวิตของเราก็ผ่านมาแล้วสามร้อยหกสิบห้าวันเราได้ทําอะไรที่ดีบ้าง เราได้ทําอะไรที่ไม่ดีบ้างถ้าคิดแบบนี้ก็เป็นคุณเป็นประโยชน์เพราะเป็นการศึกษาดูผลการกระทําของเราว่าที่เราที่หนึ่งปีที่ผ่านมานี้เราได้ทําอะไรไปบ้างสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ผิดพลาดเราก็น้อมเอามาเป็นครูสอนเราว่าต่อไปเราจะไม่ทําสิ่งนั้นอีกสิ่งใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ เราก็น้อมออกก็ามาทําให้มีมากยิ่ ง, งขึ้นไปถ้าคิดแบบนี้เป็นการคิดที่คิดด้วยปัญญาคิดด้วยสติอย่างนี้เกิดคุณเกิดประโยชน์แต่ไม่ใช่คิดแบบเพ้อเจ้อเวลามีอารมณ์อะไรมาสัมผัสถึงอดีตก็คิดคนที่ตายไปแล้วก็มานั่งคิดแล้วก็มานั่งร้องห่มร้องไห้ทั้งๆ ท, ท, ที่เขาก็ตายไปแล้วเผาก็ไปแล้วอย่างนี้คิดไป ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรือเราทำอะไรที่ไม่ดีแล้วก็มานั่งวิตกมานั่งกังวลอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเมื่อเราได้กระทาอะไรไปแล้วกรรมมันย่อมมีผลตามมาจะช้าหรือจะเร็วเท่านั้นเองถ้าเรารู้ว่าเราทำกรรมไม่ดีไว้ในอดีตก็ขอให้เราจงไว้เป็นบทเรียนว่าในอนาคต เราอยากไปทํามันอีกแต่เราไม่ต้องไปกลัวผลของการกระทําไม่ดีที่เราได้กระทํามาในอดีตเพราะเราไปห้ามมันไม่ได้ผลมันจะต้องเกิดขึ้นเมื่อเรากล้าทําเราก็ต้องกล้ารับเราต้องเป็นคนอย่างนี้แล้วอย่างน้อยความทุกข์ของเราที่เกิดจากความกังวลก็จะไม่เกิดแต่ถ้าเราไม่อยากจะรับผลที่ไม่ดีที่เกิดจากการกระทําที่ไม่ดี เราก็ต้องหักห้ามจิตใจของเราในเวลาที่เราคิดจะทำในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องระลึกถึงผลที่ไม่ดีที่จะตามมาเช่นท่านสอนให้เรามีความกลัวในบาปเวลาเราทำบาปนี้เรารู้หรือเปล่าว่ามันมีผลตามมาผลในเบื้องต้นก็คือความวุ่นวายใจความกังวลใจ ความหวาดกลัวที่มีอยู่ในใจผลที่ตามมาต่อไปหลังจากที่เราตายไปแล้วตามหลักธรรมท่านแสดงไว้ว่าผู้ที่ทำบาปทำกรรมจะต้องไปเกิดในอบายทั้งสี่ไม่ว่าจะเป็นเดรัจฉานกด็ดีเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็น ส, สัตว์นรกกด็ดีนี่เป็นผลของบาปกรรมที่ได้ทำไว้ถ้าเราไม่อยากที่จะไป เกิดในสถานที่แบบนั้นก็ขอให้เราสร้างความกลัวความหวาดกลัวขึ้นมาคือหวาดกลัวในการกระทำบาปถ้าเรากลัวในการกระทำบาปแล้วทุกครั้งเวลาที่เราคิดจะทำบาปทากรรมขึ้นมาเราจะได้มีเครื่องยับยัง้งเช่นเราจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือเราจะไปรักทรัพย์ก็จะมีอะไรมาคอยเตือนใจเราว่า ทำไปแล้วจะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานนะทำไปแล้วจะต้องไปเป็นเปรตต้องไปนรกอย่างนี้ถ้าเราสร้างความรู้สึกเหล่านี้ไว้ภายในใจของเราสร้างคว า, ความกลัวบาปขึ้นมาในใจต่อไปเวลาเราจะทำบาปทำกรรมเราจะไม่กล้าทำเมื่อเราไม่ทำแล้วผลเสียต่างๆก็จะไม่ปรากฏตามมา แต่เรื่องราวของพบหน้าชาติหน้านั้นเป็นเรื่องราวที่มันลึกลับมันเป็นเรื่องราวที่มันเหนือวิสัยของพวกเราที่จะสามารถมองเห็นได้เราจึงต้องเชื่อคนอย่างพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายเชื่อในคําสอนของท่านเกี่ยวกับเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ว่าเป็นสิ่งที่มีจริง เป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถไปยับยั้งได้ถ้าได้สร้างเหตุไว้แล้วผลมันจะต้องตามมาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในทิศทางใดก็ตามถ้าทำดีแล้วผลดีย่อมตามมาถ้าทาความชั่วแล้วผลเสียย่อมตามมาแม้แต่พระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถไปยับยั้งผลของการกระทําของผู้หนึ่งผู้ใดได้ แม้ของตนเองก็ตามก็ไม่สามารถยับยั้งได้พระพุทธเจ้าก็ยังต้องรับใช้กรรมของท่านพระอรหันต์ก็ยังต้องรับใช้กรรมของท่านเพราะเรื่องของกรรมวิบากนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นหลักตายตัวไม่มีใครที่จะสามารถมาลบล้างได้เหมือนกับไฟ ที่ต้องร้อนไม่มีใครจะสามารถมาห้ามไม่ให้ไฟร้อนได้หรือน้ำแข็งที่จะต้องเย็นมาห้ามไม่ให้น้ำแข็งไม่เย็นนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะนี่เป็นความจริงของธรรมชาตินั่นเองใจของเราก็เป็นเช่นนั้นใจของเราถ้าได้ทำอะไรไปแล้วจะต้องรับผลของการกระทำของเราอย่างแน่นอน ในเบื้องต้นก็จะรับอยู่ภายในใจของเราคือความรู้สึกสุขก็ดีทุกข์ก็ดีจะปรากฏขึ้นภายในใจของเราทุกครั้งที่เราคิดดีหรือคิดชั่วถ้าเราคิดดีใจของเราก็มีความสุขถ้าเราคิดร้ายใจของเราก็ร้อนมีความทุกข์ยามเวลาที่เราเกิดความโกรธแค้นขึ้นมาใจของเราก็จะร้อนเป็นไฟ แต่ยามใดที่เรามีความให้อภัยไม่ถือโทษกดธเคืองความเย็นความสงบของใจก็ปรากฏขึ้นมานี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับใจของเราอยู่ตลอดเวลาแต่เนื่องจากว่าเราไม่ค่อยได้สนใจดูใจของเราเราจึงไม่รู้ว่าวันวั น, ว น, วนหนึ่งนี้ใจของเรานั้นพลิกไปพลิกมาอยู่หลายตลบเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็น ขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสถ้าเห็นอะไรที่ชอบอกชอบใจก็มีความสุขมีความเย็นใจถ้าไปเห็นอะไรที่ไม่ชอบอกชอบใจก็เกิดความว้าวุ่นกุ่นหัวขึ้นมาแต่ถ้าเราฝึกดูใจของเราคือฝึกให้มีสติอยู่กับปัจจุบันเวลาเรามองอะไรแล้วหันกลับมาดูที่ใจของเราด้วยเห็นอะไรแล้วถามใจของเราว่ารู้สึกอย่างไร ดูที่ความรู้สึกของเราแล้วเราจะรู้ว่าใจของเรากำลังเป็นอะไรอยู่ถ้าเรารู้แล้วถ้าเป็นใจที่ไม่ดีเราจะได้แก้ไขได้เพราะเวลาที่ใจดีหรือไม่ดีนั้นก็เกิดจากความคิดของใจต่อสิ่งนั้นๆนั่นเองเวลาเห็นอะไรแล้วรู้สึกมีความทุกข์เราก็ต้องทำความเข้าใจว่าเราทุกข์เพราะอะไรอะไรทำให้เราทุกข์ ถ้าเราศึกษาถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆเราจะรู้เช่นเวลาเราเห็นคนอื่นเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจเราก็ถามตัวเราเองว่าทำไมเราต้องไม่สบายใจด้วยเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่หรือไม่มีใครในโลกนี้ที่เกิดมาแล้วไม่มีใครที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ความไม่สบายใจก็ไม่สามารถไปหยุดยัง้งไปหักห้ามความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ได้ทำไมเราต้องไม่สบายใจไปกับการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเรายอมรับความจริงว่าคนเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องเจ็บไข้ด้วยป่วยเจ็บไข้ด้วยการทุกๆคนถ้ายอมรับความจริงอันนี้แล้วใจของเราก็จะไม่วุ่นวายจะไม่กังวลเพราะรู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดา ความไม่สบายใจนี้เราแก้ไขได้เราระ ง, งับได้ด้วยธรรมะคือความจริงถ้าคนเราทุกคนยอมรับความจริงของชีวิตเราว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทั้งสิน้นถ้าเรายอมรับความจริงอันนี้แล้วเวลาเกิดความแก่ความเจ็บความตายมาเยี่ยมเยืยนเราเราจะไม่รู้สึกหวันว่นไหวตกเราจะไม่กังวลเพราะเรายอมรับความจริง เหมือนกับเวลาฝนจะตกถ้าเรารู้ว่าฝนจะตกเราเตรียมพร้อมไว้กับการรับฝนตกนั้นเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ถ้าเราไม่พร้อมที่จะให้ฝนตกเวลาฝนตกขึ้นมาเราก็จะเกิดความว่าวุ่นขุ่นงวยขึ้นมาทันที mm hmm. เช่นบางวันเรากำลังเตรียมทำอะไรสักอย่างหนึ่งกลางแจ้งและไม่ทำการให้ฝนตกแต่อยู่ดีๆฝนก็ตกลงมา ตอนนั้นจิตใจของเราก็จะต้องเกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวขึ้นมาทันทีเพราะเราไม่พร้อมที่จะให้ฝนตกนั่นเองแต่ถ้าเราอยู่ในช่วงฤดูฝนเรารู้อยู่ว่าฝนนั่นจะตกได้ตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ได้เวลาเราออกไปข้างนอกเราจึงต้องเตรียมร่มไว้เสมอเพราะเราจะพร้อมที่จะรับกับการตกของฝนนั่นเองเวลาฝนตกลงมาเราก็ไม่เดือดร้อนใจ นี่คือเรื่องของใจเราสามารถปรับใจของเราให้เป็นปกติไม่ให้เดือดร้อนไม่ให้วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ถ้าเรายอมรับความจริงยอมรับความจริงว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาแต่ความตายนี้ก็เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของชีวิตเราเท่านั้นก็คือร่างกายของเรา แต่เครื่งหนึ่งคือใจของเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ตายใจของเรา